จะได้แสดงธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำมาพิจารณาให้เห็นจริงแล้วปฏิบัติไปตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้การทำสมาธิคือการอบรมจิตให้สงบ จิตหรือใจของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นต้นเหตุของขู่สนและอาขู่สนในธรรมวินัยมัจะเรียกคําว่าจิตและใจนี้อยู่บ่อยๆคําว่าจิตคือหมายความว่าสภาพานึกคิคด เวลาเรานึกเวลาเราคิดเรื่องราวต่างๆนั้นเรียกว่าจิตความตรึกอยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆร้องอยู่เฉยๆเรียกว่ารู้สึกอยู่หมายถึงใจเพราะฉะนั้นที่จริงจิตกับใจก็คืออันเดียวกัน เหมือนกับน้ำในทะเลหรือแม่น้ำให ญ, ใหญ่เวลาที่ยังไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นน้ำเขาเงียบสนิทก็คือน้ำนั่นเองพอมีลมแรงก็จะเห็นละล่อคลื่นมากมายที่จริงคลื่นเหล่านั้นก็คือน้ำนั่นเองจิตใจก็คืออันเดียวคนนั้นเอง และจิตนี้เมื่อปรุงแต่งเรื่องราวามากๆเข้าก็เรียกว่าสังขารดังในเบญจขานว่าสับเบสร้างค่าราอานิจจาสังขารไม่เที่ยงก็หมายถึงความคิดอ่านต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จิตใจของบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่มีอุบายในการรักษาก็จะขนกขนองบ้างเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆบ้างคิดเรื่องราวต่างๆบ้างตามความรู้สึกของคนที่ได้ประสบพบเห็นอะไรมาเป็นอย่างไรมา เป็นไปต่างๆกันและเป็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแม้ในชาตินี้ตั้งแต่เล็กเกิดมาฟ้าชะได้บวชต้องอายุถึงยี่สิบปียี่ก่อนถึงยี่สิบปีนี้ก็ตรึกตรองต่อเรื่องราวต่างๆจนเคยชินกับกิจเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเองอย่างนี้เอง แท้จริงยังฝักไฟส่วนอภูคุชนและมีอคติธรรมอยู่เป็นอีกมากการได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้จักประคองจิตคือข่มจิตไว้ให้ได้นั้นธรรมะก็คือสติความระลึกได้ และอุบายที่จะทำให้จิตรถลาวาสอกจากราคะโทสะโมหะพระองค์ก็เด็๋ทรงสอนเกี่ยวกับมรณะสติบ้างอสุภะกรรมฐานบ้างกายคตาสติบ้างดังที่เคยกล่าวมาแล้วความจริงเรื่องใตายเรื่องเจ็บๆ ไม่ค่อยมีใครอยากจะนึกถึงไม่คยมีขยับไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้ากับหยิบยกมาให้นึกให้คิดในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายหรือนึกถึงตายความตายนั้นไม่มีกิเลสอะไรน่าใคร่น่าพอใจ ในกแกล้มมีแต่ความสังเวชความสลดจิตไม่ได้ให้เกิดความโรคโมโทสันเหมือนกับสิ่งอื่นๆ อ, อีประการหนึ่งความแก่ความตายไม่เป็นที่ปองหมายของใครๆแต่ทุกคนก็หนีไม่พ้น สิ่งที่บุคคลไม่ปองหมายพระพุทธเจ้าเก็บมาทรงสอนเพื่ออบรมจิตแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะอบรมจิตให้ดีเหมือนกับการนึกถึงความตายท่านชิงกล่าวกันมาว่ากรรมฐานคือมรณสตินึกถึงความตายนั่นเป็นยอดของกรรมฐานเป็นที่ถุดของกรรมฐานเพราะสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์ก็ดีเดราชานก็ดีเมื่อเรื่องตายแล้วเป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้นการที่นำเอาเรื่องคว า, ามตายมานึกจึงเป็นบ่อเกิดแห่งการอบรมจิตเพียงแต่นึกถึงคว า, ามตายกระแสะแห่งคว า, ามนึกของจิตเมื่อรู้สึกขึ้น ก็ถอนความรู้สึกอื่นๆที่มีอยู่ถึงแม้จะหวงหวงอะไรก็ตามแต่ก็รู้แน่ว่านั่นไม่ใช่ของเราเมื่อเราตายแล้วการนึกถึงความตายจึงเป็นอุบายอบรมใจท่านจึงสอนให้นึกถึงความตายมากๆ ดังคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าถามพิสุท้งหลายว่าเธอพิจารณาอย่างไรนึกถึงความตายเรื่องข่าวการความตายนี้พิสุรูปหนึ่งตอบว่ากระผมตื่นขึ้นมาก็นึกถึงความตายท่านตอบหลายอย่างแกขอสรุปว่า ก่อนจะไปบินทบายก็นึกว่าเราบินทไฟบินทบาทวันนี้จะได้กลับมาหรือเปล่าจะต้องตายอาจจะตายที่กลางทางก็ได้ท่านกลับมาแล้วลงมือฉันอาหารท่านก็นึกว่าจะฉันอาหารได้อิ่มหรือเปล่าความตายอาจจะเคยขึ้นก่อนก็ได้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอนให้พิจารณาถึงความตายนี้อยู่เป็นนิจเพราะความตายนั้นเองนั้นเองเป็นตัวลดและตัดกิเลสให้ออกไปจิตตสันดานตรงเงินข้ามถ้าหากวันนึกว่าเราหนุ่มเราขนองเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายหรือนึกว่าเรายังไม่ตายจิตนั้นจะเกิดประมาท จะแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นอามิตรอันเป็นเครื่องต่อให้เกิดกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับการนึกถึงความตายดังนั้นอุบายแห่งความตายในพระพุทธศาสนาด้วยคำสอนต่างๆ ให้เป็นอุบายแห่งการอบรมใจและสอนให้อย่าประมาทในชีวิตของตนเมื่อยังไม่ตายให้รีบในสมัยนั้นได้มีโครงสีู่ภาพเป็นคำสอนอยู่บทหนึ่งเตือนให้นึกถึงความตายว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตาย สายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายเรื่นชื่นรวยรายเย็นดับชีบแพยเย็นเล่นกับลูกด้วยคำมวยอาสันก็ได้ความว่าเช้าสายบ่ายเย็นข้ามมืดตายได้ทั้งนั้นความตายมีได้ทุกแห่งทุกผลไม่เลือกที่ความตายมีอยู่ได้ทุกๆไวัยไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มสาวไม่ว่าผู้ใหญ่ มีโอกาสได้ตายด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายลมหายใจออกอย่างเดียวแล้วไม่เข้าก็ตายตายนั้นเป็นของง่ายจริงๆพระพุทธเจ้าจงฟองเปรียบเหมือนชีวิตนี้เหมือนกับฟองไข่ตกเบาๆก็แตกเหมือนกับฟองน้ําเดี๋ยวเดียวก็แตกเหมือนเหมือนกับพายาแด ด, ด เวลาแดดร้อนๆมองไปกลางแจ้งจะเห็นะระยิบระยับเนี่ยกว่ามีรีจริหรือพยับแดดพอมีเมฆบางดวงอาธิษฐ์หน่อยสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเกิดแล้วก็หมดไปสลายไปโดยชั่วระยะการเพียงเดียวเดียวชีวิตนี้ก็เหมือนกันจะต้องมีอาการเป็นอย่างนี้ถึงช่วงวัยของบุคคล ตั้งแต่สิบ6้าสิบหกสิบเจ็ดถึงวัยสามสิบถือว่าวัยนี้กำลังร่าเริง ส, ส, สุขสนุกสนานก็ตามแต่บางคนก็ไม่ตลอดวัยนี้ตายเสียก็มีบางคนไม่ถึงวัยนี้ก็มีหรือวัยนี้จะสนุกสนานเพียงใดไม่ช้าก็พ้นจากวัยนี้ไปสู่วัยอีกภาคหนึ่ง ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้สึกความเห็นความนึกคิดอะไรต่างๆต่างๆนานาประการต่างกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่กําลังอยู่ในวัยรุ่นจึงคล้ายเปียบคล้ายกับคนเพิ่งตื่นนอนย่อมรู้เห็นขณะสิ่งที่ตาลืมเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ แต่ไม่สามารถจะรู้ไกลรู้ลึกเหมือนคนที่เขาไม่ได้นอนเขารู้มาตลอดว่าช่วงที่คนอื่นนอนเราไม่นอนนั้นมีอะไรบ้างในช่วงนั้นผู้ที่มีอายุผ่านวัยนี้ไปแล้วก็เช่นเดียวกันย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นรวมความว่า การพิจารณาถึงความตายย่อมมีประโยชน์แก่จิตใจแต่ท่านแสดงไว้ว่าต้องประกอบไปด้วยโยนิโสมนาสิการคือใช้อุบายพิจารณาโดยชอบถ้านึกถึงความตายแล้วตกใจกลัวไม่เป็นโยนิโสมนาสิการไม่จัดว่าเป็นธรรมคุศลต้องนึกถึงความตายแล้วนึก มีสติปัญญาไม่ประมาทในชีวิตของตนชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาถ้านึกถึงความตายแล้วกลัวกลายเป็นอกุศลถ้านึกถึงความตายแล้วไม่ประมาทเป็นกุศลดังได้กล่าวมาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้หลายแห่งเรื่องให้พิจารณาถึงความตาย แล้วยิ่งไปกว่านั้นบางทีได้ทรงแสดงอาการตายไว้เป็นลักษณะเป็นช่วงๆดังแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรมีสูตรแม่บทของกรรมฐานอยู่สี่บทคือกายสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรมีสูตรแม่บทของกรรมฐานอยู่สี่บทคือกาย ในทั้งสี่อย่างนี้ในข้อแรกคือกายานุปัสนาสติปฐานเป็นสมถะกรรมาฐานหรือเป็นสมาธิสอนไว้หลายตอนหลายอย่างซึ่งเรียกว่าปับพะมีอยู่ตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องบุคคลที่ตายแล้วชื่อว่านวสีที่วากาปับพะสอนให้พิจารณา ปาช้าชาั้งก้าหรืออาการตายของบุคคลแล้วในเก้าแบบเรียกว่าเหมือนกับไปเยือนป่าชา้าปาช้านี้มีศพลักษณะนั้นปาช้านี้มีศพลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ให้น้อมมาในตัวเราเองให้เห็นตามปามนจริงว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อศพถูกท่อทิ้ง อยู่ในป่าอยู่ในที่คนไปคนไม่ได้ไปพบเห็นก็จะมีอาการต่างๆกันในช่วงเวลาที่ผ่านไปเช่นท่านสแสดงไว้ว่าภูณะจะปรังบิขเวพิคุดูก่อนพิสุข้อที่ควรในการพิจารณามีอยู่อีกอันสรีระร่างกายนี้ตายไปแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้าง ย่อมขึ้นพองอืดหน้าเขียวช้ำดำเหม็นกายของเรานี้ก็เหมือนกันตายแล้วทิ้งไว้ย่อมมีสภาพเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนว่าอยังโคเมกาโยแม้กายอันนี้เราเอวังธ ร, รมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนติโตไม่ลวงพลอย่างนี้ไปได้ ในข้อสองป่าช้าที่สองสอนว่าปุณะจะปรังพิกเวพิกขุดดูก่อนพิสุข้อที่ควรกับการพิจารณายังมีอยู่อีกอันตราย ร, ร่างกายที่ตายแล้วสองสามวันขึ้นพรอมอืดเ น, น่านั้นพอนานวันไปเนื้อหนังมังสาบวมแล้วก็แตกน้ำเมือกเหลืองไหลออกมาสุนัขบ้านบ้าง มากัดกินเนื้อทุนักป่าบ้างนกแร้งนกก า, มาแมลงวันทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายก็มารุมจิกกินจนร่างกายเละเทะเปื่อนเปื่อนไปเรือดเนื้อท่านสอนให้พิจารณาว่าอยังโคเมกาโยแม่กายอันนี้เราคือตัวเราเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา เอวังพาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่รวงพลอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่สามสอนว่าปูณะจะประรัง่ิฆเวพิขุดูก่อนพิสุขข้อที่ควรกาการพิจารณามีอยู่อีกอันสรีระร่างการที่ทิ้งไว้สัตว์ทั้หลายกัดกินจนเปื่อเปื่อนเป็นเทือกไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองในบริเวณนั้น ก็ยังมีหมูหนอนต่างๆทั้งหลายสีดำสีเหลืองสีแดงสีขาวยาวสั้นไตตอมกินเลือดเนื้อตรงไหนที่ยังมีเลือดเนื้อขังอยู่เหลืออยู่เช่นหนอนบางพวกที่อยู่คออยู่ในหลังเท้าใต้เท้าบางพวกก็กินเลือดหนองน้ำหนองอยู่ที่ข้อเท้าบางพวก ก, กินน้ำเลือดหนองอยู่ที่พวกเขา่าบางพว ก, กก็กินน้ำเลือดหนองอยู่ที่สะโพก ข้าวมันจะวงอกบ้างขึ้นมาตามซอกสี่โค้งบ้างบางพวกกระลงไปในเข้าไปในละในกระโหลกที่ษะออกมาทางปากบ้างลงไปโพงจมูกบ้างขึ้นเบาตาบ้างเข้าไปทางหูบ้างทรงกลิ่นเหม็นคุ้งขจรไปทั่วพิจารณาแล้วนึกถึงเราเมื่อตายแล้วถูกทอดทิ้งไว้ก็เป็นสภาพเช่นเดียวกัน ภ า, าษาสดาจึงทรงสอนว่าอยามโคมเมกาโยแม้กายอันนี้เล่าเอกแม้กายอันนี้เล่าเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัติโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้สี่ปุณะจะปรังพิคะเวพิขุดูก่อนพิสุข้อที่ควรการพิจารณาอยู่มีอยู่อีกป่าช้าที่สี่นี้ เมื่อเลือดเนื้อเหล่านั้นแห้งกรอบลงไปไม่มีสัตว์ไรกินได้อีกแล้วจะมีก็หนอนตัวเล็กๆอยู่ในข้อต่อของกระดูกทำให้เกิดเม้นสาบเม้นสางเม้นตุเม้นเน่าแม้ตัวเรานี้ก็เช่นเดียวกันตายแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นอย่างนี้พระศาสดาจึงสอนให้พิจารณาว่าอัยามพิโคโมเม ก, กายโย แม้กายนี้เล่าเอวังธรัรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนาจิโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่ห้าจันสอนว่าภูณะจะประรังพิขเวพิขุดูก่อนพิสุข้อทีควรกับการพิจารณายังมีอยู่อีกอันตริย ร, ร่างกายที่เป็นโครงกระดูกน้ำเลือดจำเหลืองหุ้มหอ่อแห้งกรอบนั้นนานวันไป ภาพน้ำเรือน้งเหนือเหล่านั้นก็แห้งหมดไปสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกทําให้เห็นโครงร่างในของบุคคลอุปมาคล้ายกับเรือนบ้านหรือบ้านที่ปูกขึ้นเพียงแต่วางโครงร่างโครงกอบมีเสามีคานมีโครงหลังคามีโครงข้างฝาแต่ยังไม่ตีฝาวงหลังคาจะเห็นคือแปรและสิ่งต่างๆไม้ข้าวต่างๆ เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นี้ชั้นใดกายนี้มาหมดเลือดเนื้อแล้วก็จะเห็นกระดูกต่างๆชิ้นน้อยชิ้นใหญ่กระดูกปลายทั้งสองข้างกระดูกข้อทัท้งสองข้างกระดูกแข้งทั้งสองข้างกระดูกขาทั้งสองข้างกระดูกส่อโพกกระดูกส้นหลัง เป็นปอบเปาะเป็นข้อข้อเป็นฟ้องฟ่อ ง, ปองไปถึงท้ายทอยกระดูกฝี่โครงออกมางอกออกมาจากกระดูกสันหลังโคง้งมาจนหน้าสวงอกเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่กระดูกไหลกระดูกหายปลาทั้งสองข้างกระดูกส่วนบนแขนแขนส่วนบนทั้งสองข้างกระดูกข้อศอกแขนทั้งสองกระดูกข้อมือกระดูกแขนส่วนล่างทั้งสองกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือกระดูกคอ เป็นดูดใบไผ่ข้อสั้นๆผุผุกระโดดควันยาวเรียงไปตามขากันไกเหลือแต่กะโหลกศีรษะไม่มีอะไรปิดบังเบ้าตาที่มีลูกตาที่ไม่มีี่มเนื้อก็หมดไปเป็นเบ้าตาบุ๋มโบลงไปเห็นถึงผนังภายในของกะโหลกศีรษะจมูกสันจมูกหมดไปก็เห็นช่องโหวจากจมูกช่องจมูกลงไปในกระโหลกศีรษะสาภาพ โครงร่างของบุคคลมีสภาพเป็นอย่างนี้แม้เราก็เหมือนกันไม่มีอะไรวิเศษวิโสหรือดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาย่อมมีสภาพนี้เช่นเดียวกันหรือคนอื่นๆที่มีฐานันดรศักดิ์สูงส่งหรือมีภาวะเป็นอย่างไรก็ตามไม่พ้นจากสภาวะนี้พระศาสดา จ, จงทรงสอนว่าอัยามปีโคเมกาโยแม้กายอันนี้เรา เอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัติโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ข้อ6ป่าช้าที่หกสอนว่าภูณะจะ บ, บรังทิ่คาเวที่ ข, ขุดูก่อนพิสุขข้อที่ควรในการพิจารณายังมีอยู่อีกอันสรีระร่างกายที่เป็นโครงร่างดังกล่าวมาแล้วนั้นนานวันไป เอ็นยืดร no er e e ้อยต่างๆยุ pathway, ้ยผุกพังไปกระดูกทั้งหลายก็กระจัดกระจายออกไปเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่คือกระดูกปลายเท้งสองข้างกระดุดไปทางหนึ่งกระดูกข้อเท้าสองข้างกระดูดไปทางหนึ่งกระดูกแข้งทั้งสองข้างกระดูดหลุดไปทางหนึ่งกระดูกขาทั้งสองข้างกระดูดไปทางหนึ่งกระดูกขาส่วนบนทั้งสองข้างกระดูดไปทางหนึ่งกระดูกกระโพรกระดูดไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังก็หลุดเป็นข้อข้อเป็นฟ่องป่องกระจัดกระจายออกไป กระดูกซี่โครงหลุดออกจากกระดูกสันหลังก็กระจายกระจายออกไปเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่โครงเล็กโครงใหญ่กระดูกไหายปล่าสองข้างก็กระจัดกระจายออกไปกระดูกแขนส่วนบนทั้งสองข้างหลุดออกไปทางหนึ่งกระดูกข้อศอกทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างส่วนล่างก็ออกไปทางหนึ่งกระดูกนิ้วมือหลังมือก็หักหลุดออกไปเป็นช hair, ิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายกระจายออกไปกระดูกคอก็หลุดออกมาเป็นป่อง กระดูกฟันก็หลุดออกจากกะโหลกศีรษะกะโหลกศีษะรษะหลุดออกจากโครงร่างของกริ่งไปตามพื้นทําให้กระดูกทั้งหลายกระจัดกระจายออกไปนี่ฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันตายแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่พ้นภาวะนี้ไปได้พระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าไยยัมบีโคมกาโยแม่กายอันนี้เล่าเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา เอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนาจิโตไม่ร่วงผลอย่างนี้ไปได้ปาช้าที่เจ็ทรงสอนว่าภูณะจะบระรังพิกเวพิขุดูก่อนพิสุข้อที่ควรกกัการพิจารนามีอยู่อีกอันสรีระร่างกายนี้เมื่อเหลือจะกระดูกต่างากระจัดกระจายออกไปนั้นนานวันไปเพราะความกระดูกตึกกรอนจึงมีสีขาวดูสีสัง ทำให้เห็นวามไม่ยั่งยืนของกานี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอทวังไม่ยั่งยืนเป็นทุกขังต้องแตกสลายไปเป็นอนัตตาห้ามกันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ภาษศาสด า, า, าจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าอายัมปิโคเมกายโยแม้กายอันนี้เล่าเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้ เอวังนะจิตโตไม่ร่วงผลอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่แปดทรงสอนว่าปุณะณะเรังพิฆเวพิ ข, พขูดูก่อนพิสุข้อที่ควรการพิจารณาในโครงร่างนี้ยังมีอีกอันตรีละร่างกาที่แตกแตกระจาระจายสึกกรนสีขาหรือสีสางนั้นก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกคือนานวันไปกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ก็ผุหักพังไปเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ จมลงไปในดินบ้างยญาขึ้นกบคุมเตียบ้างเหลือไม่กี่ชิ้นนี้อันไม่เหมือนเมื่อเป็นอยู่สูงวาหนาคือน้างสอแต่เหลือเพียงไม่กี่ชิ้นและไม่มีใครเหลียวดูถูกพ่อจิ้งดุดท่อนฟืนดังคำทุภาสิทธิที่ว่าอาธิรังวจะจจยางกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัชวิงอาธเสสตจิจะทับผมซึ่งแผ่นดิน พุทโดอเปจวิญญาโนเมื่อปราชจากวิญญาแล้วมีรัฐพังวะคาริงขลังจะทูกทอดทิ้งหลุดพ้นฟื้นไม่มีใครเหลียวแหลกภาษาชนาจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าอยัมปิโคเมกาโยแม้กายอันนี้เล่าเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้ เอวังอนาจิโตไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้พ่อ9ท่านสอนให้พิจารณาในป่าช้าที่กล่าวว่าภูณะจะป ร, ะรังภิฆเวพิขุดูก่อนพิสุ ข, ข้อที่ควรแกาการพิจารณามีอยู่อีกอันสรีระร่างกายนี้เมื่อตายเมื่อกระดูกทั้งหลายก ร, กระจายไปดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ยังไม่พ้นสภาพอนิจจ์ คือเมื่อยังมีก้อนอยู่มีแท่งอยู่ยังมีกระดูกกระดูกเหลืออยู่ก็ผุพังหักไปท่อนหนึ่งหักไปท่อนหนึ่งบ้างสองท่อนบ้างแตกเป็นสองทีบบ้างสามทีบบ้างนานวันไปก็หักหักผุพังออกเป็นกระดูกชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นานวันไปก็หักผุหักผุพังออกไปจากชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เป็นกระดูกผงหยับหยับนานวันไปก็กลายจากกระดูกกระดูกผงหยับหยเป็นกระดูกผงละเอียด นานวันไปก็เป็นฝุ่นละอองทุลีลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมบ้างฝนตกมาก็ซึมแทรกไปในแผ่นดินบ้างสูญสลายหายสิ้นหมดสิ้นซากคือร่างนี้ชาติหนึ่งกันทีสภ้พาของสัตว์ช่างหลายเป็นไปอย่างนี้สภาพ้าที่ปล่อยไว้ให้เป็นธรรมชาติให้เห็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงเป็นอย่างนี้มนุษย์เรามีความฉลาด จึงได้ประดิษฐ์เตาบ้างอื่นๆบ้างจัดทำสร้างศพนี้ไม่ให้ซึ่งเรียกชางรู้ว่าไม่อูจารไมอูจารตาสมัยก่อนหรือสมัยพุทธเจ้าถ้ามีท่าน้ำแม่น้ำคงคาหรือมีสถานที่ทิ้งศพเขาจะอศพไปไว้ที่นั่นพิสุผู้จเจริญอสุภะมรณะตะติก็จะไปดูสรากศพที่นั่นได้ แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นที่พาราณสีเป็นต้นก็ยังมีสภาพเดินอาการป่าชา้าช่างก้าวดังแสดงมานี้มีคุณมีประโยชน์จากการพิจารณาคือหนึ่งเป็นไปในรูปของมรณะสตินึกถึงความตายกง่ที่จะมีแก่ตน 2. เป็นสภาพให้ลึกถึงใจรักคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอน สจิตที่พิจารณาอยู่ไม่ฝักใฝ่อื่นทําให้มุ่งอยู่แต่กระโครงกระดูกต่างๆนั้นคืออยู่ในกายทําให้ใจสงบสทําให้เกิดปัญญา<ม>คือรู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงอันจะเป็นพลังรดลาวาสอกอคุณธรรมคือราคะโทสะโมหะให้บาบางลงไปเมื่อมันพิจารณามากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตจะเป็นอุปจารสมาธิก็จะเกิดความสว่าง เห็นตามครรมเป็จริงในนิมิตเกิดขึ้นกับจิตของตนแล้วอบรมสั่งสมไว้มากๆจะได้เกิดวิปัสนาญาณจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งจะยังมีสติดำรงยะได้อย่างมั่นคงเมื่อตัวเราเองจะเป็นอย่างนั้นบ้างพวกพ้อเกิดอย่างนั้นบ้างตามทำที่ไม่สามารถจะค้นไปได้ก็จะระงับดับวิปโยคความเศร้าโศกความเสียใจ ฟันเทาอาการเหล่านั้นจะได้จะมีสติควรทำสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นความรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้พระผูมมีพระพากเจ้ายกมาสอนเพื่ออบรมจิตใจของตนให้เกิดความสังเวทให้เกิดความเสดสติ ท, ท, ท่านจึงสอนไว้ บ, บ่อยว่าสรีระร่างกายนี้ไม่ใช่ของมั่นคงของเปล่ะของบางอยู่ไม่นานเลยก็จะตายแล้ว ไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่ประการใดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตของตนมันพิจารณาธรรมะเหล่านี้ไว้เพื่อให้จิตสงบจิตสงบนั่นคือจิตสะอาดจิตจิตที่ฟองแพรวเมื่อจิตที่ฟองแพ้่แล้วพิจารณาธรรมให้เห็นตามความจริงก็เรียกว่าจิตสะอาดอันเป็นผลมุ่งหมายแห่งการบวชในศ า, าสนาป่าชาช่างก้านี้ปกติเราถือเป็นข้อปฏิบัติคือ เวลาที่ออกเดินไปบิณฑบาต ท, ทุกวันเราจะนึกภาในใจอย่างนี้ครบทั้ง9ก้าป่าทุกครั้งทุกวันที่ออกไปบิณฑบาตเมื่อนึกถึงป่าช้างเก้าครบแล้วก็ตั้งจิตภาวนาไว้อันเดียวปฏิบัติอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้วเพื่อรักษาสภาพจิตของตนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาใดที่ว่าง ควรนึกถึงอาการดังกล่าวมาแล้วเป็นอุบายชำระใจของตนให้บริสุทธิ์และเมื่อใจของเราปล่อยวางเป็นกลางดีแล้วนั่นแหละคือควรแก่การงานด้แก่การภาวนาทําให้จิตใจสงบสูงยิ่งขึ้นไปอันจะเป็นฐานที่เกิดของวิปัสสนาญาณดังนั้นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติธรรมดังได้กล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป